Book 2 7เจ็สสได้รับอนุญาตได้คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ s m i e ย li ิ e วชวิ่ง i ี่อัลคุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ s เ i ียช i ิเวชพิติแอลกอคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ s เ i ียชลิเว s แซมอิชิอูอิน a สอนุญาต ได้ s ม j e ต i เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ s m ี่มอลีโอว์ดีพุชิตตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ s m i e ลิสเซ o v j e pu ีพุชตจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะสม j e ลิสเซ ovdje platiti sa kreditnom karticom. จ่ายเช็คได้ไหมคะ smieli se ovdje platiti sa cekom. จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ smieli se platiti samo gotovinom. ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ s นียม li เทฟนรติขอถามอะไรได้ไหมคะส mi ียม li neto ตทขอพูดอะไรได้ไหมคะ smi ียม li sada neto รเขานอนในส่วนสาธารณะไม่ได้ on ne เขานอนในรถไม่ได้ออนเนสไม่เา ว, วขาวนอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ออนเ e s ไม่เอ้ส н и ч к о й станици เราขอนั่งได้ไหมคะ เราขอรายการอาหารได้ไหมคะเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ